พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18มีนาคม2555มีชื่อเรื่องว่าการบวชเป็นพระวัดป่า วันนี้เป็นวันปฐมนิเทศเป็นวันประชุมเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์มหิดลเข้ามาจะาอุปสมบทเข้ามาเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันที่สิบแปดมีนาคมพุทธศักราชสองพห้า้อห้าสิบห้า เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีการฝึกขานนาคให้ถูกอักคระจากนั้นก็จะได้อุปสมบทวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2555เพราะนั้นวันนี้พวกเราเข้ามาหลวงพ่อจึงได้นัดประชุมทั้งฝ่ายพระในวัดและก็นาคที่จะเข้ามาบวช ในวันดังกล่าวเพื่อจะได้รู้รับรู้รับทรา บ, ร, บ, ร, บ, ร, บ, ร, บร่วมกันว่าการที่จะจัดการเรื่องการบวชในคราวนี้จะดำเนินการอย่างไรตั้งแต่จัดบริขารอัถบริขารขาดเหลือขาดตกอย่างไรถ้าว่าขาดเหลือขาดตกแล้วจะทำยังไงแล้วก็ต้องเรื่องการฝึกขานนาคจะมอบให้แก่ใครองค์ไหนเป็นผู้ดูแล เรื่องการนาคหรืออัฐบริขาร ต, ตลอดถึงที่พักพาอาศัยพร้อมหรือยังแต่ว่าตามไม่จริงที่พักพาอาศัยนั้นก็มีเหลือเฟืออยู่แล้วหละเพราะพระทั้งหมดจำบรรษาทั้ง40กว่ารูปแต่ละปีที่พักพาอาศัยเมื่อพระเหล่านั้นเวลาสิกขาไปก็ทำให้กุติแต่ละหลังก็ว่างลงก็ขาดการดูแลรักษา เพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาก็จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลและก็จัดสถานที่พักองค์ไหนจะพักที่ไหนชอบที่ไหนอันนี้ก็ให้พวกเราที่เป็นพระเก่าก็นํานาคไปดูสถานที่เลือกที่พักพาอาศัยที่จะได้บําเพ็ญต่อไปอันนี้แหะคือการประชุมหรือว่าปฐมนิเทศ แล้วก็หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าของวัดแห่งนี้หลวงพ่อก็จะได้แนะนําว่าเมื่อพวกเราเข้ามาแล้วปฏิบัติตนอย่างไรในสำนักแห่งนี้พอเราไปแต่ละแห่งก็มีกฎกติกามากหลากหลายไปประเทศหนึ่งก็มีกฎหมายอย่างหนึ่งคุ้มครองไปอีกประเทศหนึ่งก็มีกฎกติกาอย่างหนึ่ง แต่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาถึงอยู่ในประเทศชาติหรือจะนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ก็มีกฎกติกาแต่ละวัดไม่เหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าวัดเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะได้พูดแนะแนววิธีการปฏิบัติหรือว่าแนะแนวนจุดประสงค์ของวัดวาศาสนา ในวัดของเราที่จะพาปฏิบัตินั้นจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะให้ถูกเพื่อจะให้เข้ากันได้ใหม่กับเก่าแต่ตามจริงก็ยึดหลักพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นหลักแต่อยากหลักพระธรรมวินัยนั้นก็มีมากหลากหลายขนบธรรมเนียมหรือว่าธรรมเนียมหรือว่ากฎกติกาคำว่ากฎกติกาคำนี้ไม่ผิดต่อวินัย ไ ม, ม่ผิดวินัยถ้าผิดวินัยก็คือรักษาวินัยและก็จบแต่ว่าก ฎ, กฎกติกาเนี่ยกระสุดแท้แต่สำนักหรือวัดนั้นๆจะนำมาประพฤติปฏิบัติและตั้งกฎกันขึ้นมาอย่างไร อ, อย่างสมมติว่าบินทาบาทเวลาเท่านี้ปัดกวาดเวลาเท่านี้ เ, เวลามาประชุมกันร่วมกันเวลาเท่านี้อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็คือ ในวัดหรือว่าพวกเราได้ประชุมกันตั้งกฎกติกากันขึ้นในหมู่กลุ่มของพวกเราแต่ละวัดอันนี้ว่ากติกาแต่ถ้าว่าพระวินัยแล้วเอภิกษุภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตติอันนี้คือพ่อวินยัยบอกชัดเจนเราจะไปภาคที่ไหนทําที่ไหนก็ผิดวินัยทั้งหมดภิกษุขุดเองก็ดีให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตติ อันนี้ก็คือพ่อวินยัยบ่งบอกชัดเจนใครจะไปทําที่ไหนก็ผิดผิดวินยัยผิดศีลขาดศีลแต่เรื่องกฎกติกานี่เพียงแต่ว่าถ้าหาว่าไม่อยู่ในกฎกติกาที่เราตั้งกันเอาไว้แล้วเวลาปัดกวาดเวลาสามโมงตัวเองก็ไม่ปัดกวาดทะเลทรายเวลามูงหยุดแล้วตัวเองยังไปปัดกวาดอย่างนี้ก็ทําให้ในกลุ่มของเราหาความสงบสุขไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่อยู่ใน กฎกติกาไม่อยู่ในกฎที่ได้ตั้งได้ตกลงกันไว้แล้วนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎกติกาหรือว่าได้ประชุมหารือกันอันนี้ก็คือใครจะเป็นผู้บ่งบอกชัดเจนกับหลวงพ่อเนี่แหละเป็นองค์แรกจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆุกท่านทุกๆองค์ที่ได้รู้แล้วประชุมกันแล้วตกลงกันแล้ว ว่าจะทาอย่างไรอันนี้พวกท่านก็ถือตามกฎกติกาไม่ใช่ว่าเนี่ยเขากำหนดกฎเป็นกฎหมายออกมาแล้วประกาศเป็นรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก็จะให้คนที่ประกาศในที่แรกไปบอกกับทุกคู่ทุกคนออให้ได้ยินก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อประกาศเสร็จแล้วก็ต้องบอกกันอันนี้คือผิดกฎกติกาอันนี้ก็คือกฎหมายปกครอง กฎหมายามรัฐธรรมนูญปกครองชาติปกครองประเทศจะเป็นอย่างงี้นะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือเมื่อเราตั้งกฎขึ้นมาแล้วผู้ใดเข้ามาก็ต้องอยู่ในกฎนั้นดังขณะนี้เวลานี้บ่ายสามโมงทุกองต้องลกปัดกวาดพร้อมกันใครอยู่น่าจะานที่ใดที่กุฏิของตนเองก็ต้องปัดกวาดทาความสะอาดจากนั้นก็มาช่วยกันดูแลศาลาที่จะเตรียมวันพุ่งนี้ ทําความสะอาดศาลาทาความสะอาดห้องน้ำในบริเวณช่วยๆกันดูอันนี้ก็คือกฎหรือว่ากติกาที่พวกเราจะต้องปฏิบัตินี่อันนี้คือแบ่งแบ่งกันให้การทําว่ากลุ่มไหนจะทําอะไรแต่ละวันอันนี้ก็สุดแท้แต่พวกเราท่านทั้งหลายจะแบ่งกฎกติกากันทํา นี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันถ้าอยู่องเดียวไม่มีปัญหาทำยังไงก็ได้เพราะอยู่องเดียวคิดจะทำอะไรก็ได้จะไปเวลาไหนก็ได้แต่อย่าให้ผิดวินัยอย่าให้ผิดวินัยวินัยนั้นต้องรักษาเอาไว้ถึงจะอยู่ด้วยกันหลายองค์หรือจะไปองเดียวแต่อย่าทำความชั่วพระพุทธเจ้าท่านตรัสสรุปแล้วก็คือถึงจะอยู่ องเดียวกระยาล่วงละเมิดศีลและวินัยฮะอย่าไปทำความชั่วอย่าไปล่วงล่วงละเมิดศีลและวินัยให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบรูณบรณ์ถึงจะอยู่มากอยู่น้อยถึงจะไปองค์เดียวก็ให้เคร่งอยู่ในวินัยนี่แหละแต่ถ้าว่าไปองค์เดียวไม่มีใครเห็นอะไรก็ททำความชั่วช้าเสียหายเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นพระไม่มีฮิลิออตปะ เป็นอรชิตาเป็นผู้ไม่มีไม่มียางอายไม่มีความละอายต่อบาปอันนั้นไปอยู่นักสถานที่ใดไม่ดีทั้งนั้นเพราะไม่มีพระไม่มียางอายพระไม่มีฮิริโอตปะเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเราผู้เข้ามาศึกษาทุกองนะให้ช่วยกันรักษาทำและวินยัยกดและเบียบที่ได้วางเอาไว้แล้วโดยความโดยความเคารพ ในกฎกฎติกาสำหรับวัดของเราอย่างนาคที่เข้ามาแต่และ ว, วันทำยังไงพอวผ่านวันหนึ่งไปแล้วนะพวกเราก็คงจะอ่านออกว่ามีอะไรบ้างแต่และ ว, วันเพราะว่าพวกเราเข้ามาศึกษาดูตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดสำเนกอันไหนควรอย่างไร ไม่ใช่ว่าจะบอกกล่าวกันทุกวี่ทุกวันทุกวลาเวลาไม่ใช่ตาคือพ่อวินัยหูก็อพ่อวินัยตาเมื่อเราเข้ามาเห็นแล้วท่านทำอะไรเวลาไหนยังไงไม่ต้องได้บอกไม่ต้องได้กล่าวไม่ต้องได้บอกกันนี่แหละอยู่ในสินแหะอยู่ในกฎหูได้ยินถ้าเราได้ถามถ้าเราสงสัยก็ถามเมื่อได้รับคำแนะนำบอกกล่าวมาเราก็ปฏิบัติตาม เนี่ยแะคือตาและหูนั่นเป็นพระวินัยใจให้คิดช้ำเหนียกควรไม่ควรอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรถ้าเราเข้าไปศึกษาต้องเป็นนักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ซื้อบือ้อซื้อบือ้อแหมต้องให้หมูได้บอกได้กล่าวซะก่อนยังค่อยทำพอทำแล้วก็ยังโมโหให้เขาอีกต่างหากอันนั้นไม่ใช่ผู้มาศึกษาเขามาขวางหมูขวางเพื่อนขวางวัดปาศาสานา ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นมีทางเดียวอเปหิตต้องไล่ออกจากวัดนะเพราะมันมาขวางขวางหมู่ขวางหลักพระทรรมวินยัยสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายไปนักสถานที่ใดใช้ตาใช้หูใช้ใจเป็นผู้ซ้าเนียบไปอยู่ในชนกลุ่มใดก็ตามต้องอย่างนีนะ้มาอยู่วัดของกลวงพ่ออีกเหมือนกันในหมู่ในคณะอีกเหมือนกันก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน หนันักศึกษาที่เข้ามาแต่ก่อนก็เป็นคารวะพวกเราก็เป็นเด็กยังไม่ได้รับการศึกษายังไม่ได้ไปที่ไหนวัยยุก็เพียงจะย่างขึ้นเป็น20เป็นผู้ใหญ่แต่ก่อนหน้านี้พวกเราก็วางตัวอีกแบบหนึ่งแต่บัดนี้พวกเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นบัณฑิตการแพทย์ถือว่าเป็นถ้าคนในชาติก็บ่อกว่ากฐิ เรียกว่าหัวไบรท์ที่พวกเราได้มาอยู่ในระดับนี้เป็นที่ยอมรับของชุมชนทุกหมู่เหล่าคนในชาติยอมรับยิ่งเป็นแพทย์จากสถาบันที่โด่งดังอีกต่างหากและก็พร้อมกันในเมื่อเราเข้ามามาเป็นแพทย์จากนี้เราอยากจะบวชศึกษาธรรมะเข้าสู่จิตใจเอาศีลธรรมจริยธรรม เอาำคํคสั่งสอนของพระพทุทธเจ้าเข้ามาเป็นเครื่องชี้นำในการเป็นอยู่ชี้นำการประพฤติกายวาจาใจของเราวันนี้เราก็ได้เสียสละวลเวลามเวลาถึงจะมีโอกาสน้อยเวลาน้อยพวกเราก็เสียสละเข้ามาเพื่อการศึกษาเพราะนั้นเมื่อเข้ามาศึกษาหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นเจ้าของสํานักหลวงพ่อก็จะพยายามแนะนาไม่ให ลูกหลานที่เข้ามาแล้วไม่ให้พลาดโอกาสไม่ให้เสียโอกาสในการเข้ามาศึกษาสิ่งไหนที่พวกเราลูกหลานอยาควรจะรู้ควรจะเข้าใจในหลักรรจริยธรรมจริยธรรมหลวงพ่อก็แนะนําบอกกล่าวศึกษาอย่างนี้นะทําตนอย่างนี้นะออย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าเรื่องตํำรับตําราพวกเราอ่านแต่อย่าไปใส่ใจมาก แต่อยากจะให้ลูกหลานสู้กับจิตใจของตนเองคือให้ภาวนาเร่งภาวนาเป็นหลักเข้ามาคราวนี้ยืนเดินนั่งนอนเกือบจะว่าทุกขริยาบทเป็นเสียตลับให้มีสติอยู่กับตัวเองให้ภาวนาเวลาก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถเวลานั่งอยู่ตามลำพังหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถเวลาเราปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถ การเคลื่อนไหวของกายของเราอริยบทพวกอริยบทให้มีสติสัมปชัญญะในทุกอริยบทในเมื่อเราเข้ามาบวชเขาเนี่ยคือเข้ามาดูเข้ามาดูกายดูใจของตนเองนี่แหละส่วนหนังสือหลวงพ่อกจ็จะให้อ่านแต่ว่าตํำรับตํารานั้นถ้าพวกเราอยากจะไปดูเนี่ยห้องสมุดมีครบหลวงพ่อว่าไม่แพ้ห้องสมุดอื่นที่เกี่ยวกับธรรมะแล้วเพราะหลวงพ่อสันมา เลือกมาสันมาเอามาใส่ห้องสมุดเพื่อจะให้พวกลูกหลานเข้ามาศึกษาคําว่าด้อยในการศึกษาด้อยด้การได้ยินได้ฟังหลวงพ่อไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะได้ยินอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงหนังสือที่ไหนที่จะเป็นประโยชน์กับห้องสมุดหลวงพ่อจะให้เอาเข้ามาและก็พร้อมกัน MP3 เสียงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์หลวงพ่อก็พยายามให้มีอีก ธรรมเทศนาถ้าเรามีเครื่องฟังฟังหรือนอกจากนั้นไปอีกหลวงพ่อมีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่หลังวัดของเรา 107.25 ไมกะเฮิรตอันนี้ธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจนถึงตีห้านี่หลวงพ่อก็บอกพระเต็นเป็นพระผีเลี้ยงพยายามเอาวิทยุให้แก่ ผู้เข้ามาศึกษาเพื่อได้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการฟังวิทยุเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมอีกเหมือนกันไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะถ้าว่าเอาให้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วว่าผู้เข้ามาเนี่ยโง่เง้าเตาตุนเข้ามาแล้วกับฟังเพลงฟังลำทั้งวันทั้งคืนหรือว่าฟังเพลงฟังลำเป็นส่วนมากอย่างนี้ทําให้จิตใจของตนเองตกอีกผิดวินัยอีกต่างหากเพราะฟังเสียงดนตรีเพราะว่าในพระวินัยของ บอกกันแล้เนีขนาดศีลแปดก็ยังว่านัากเจ็ดคีตวารทิตวาตวิสูกทัตนะห้ามไม่ให้ฟังเสียงร้องรำทำเพลงอันนี้เราเป็นพระยิ่งสืส่ศีลสูงกว่านั้นไปีแต่เราไปฟังอย่างนั้นมันผิดแต่พวกไม่รู้จะทำยังไงเพราะเสียงทำรรก็อยู่ในเสียงวิทยุเหมือนกันถ้าเราจะเอาเอาทปให้ฟังมันก็เป็นเรื่องที่จุงยาก มันเป็นสถานีวิทยุขึ้นมาแล้วเปิดฟังกลางคืนประมาณสองทุ่มแล้วไปไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อแนะนำให้ฟังเทศองหลวงตาเนี่ยวันละหนึ่งกันไม่ต้องฟังมาก เ, เว้นเสียแต่เราเพื่อการศึกษาให้ฟังวันละหนึ่งกันจะเป็นเวลาไหนก็ได้เวลาเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนั่งภาวนาเรานั่งขัดสมาธิฟังเทศหลวงตา พอฟังสักการหนึ่งเออเสร็จแล้วก็ปิดพอปิดแล้วก็นั่งภาวนาต่อในขณะที่ฟังเทศตรงตาหลวงพ่อไม่ให้ฟังเพื่อความจําให้เพื่อฟังเพื่อรู้ฟังเพื่อรู้กับฟังเพื่อความจํานั้นต่างกันฟังเพื่อให้รู้นั้นเออเวลานั่งเข้าไปกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโตพุทโถให้ใจอยู่กับตัวเองให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่ในตัวเอง เวลาเสียงเข้ามาทางหูเข้าใจหลวงตาพูดเรื่องอะไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ต้องจำบัหลงตาพูดเรื่องอะไ ร, ไ อ, ร, อ, อ, ะไรอันนี้เราฟังเทศเพื่อเข้าใจอันนี้มีประโยชน์มากแต่ถ้าว่าฟังเทศเพื่อความจำหลวงตาพูดยังไงแต่ทีแรกก็พยายามเหยนคิดทบทวนให้จำจำอย่างที่หลวงตาพูดอันนี้ฟังเทศเพื่อความจาพอฟังจบแล้วก็พูดได้แต่ว่าจะให้ลึกซึ้งนั้น สู้ฟังเทศให้รู้ไม่ได้ฟังเรศให้รู้แล้วก็ปล่อยวางแต่วอดปล่อยวางเสร็จแล้วเราเจดจดจําไม่ได้ในการเทศของหลวงตาในวันนี้แต่เราเข้าใจในเนื้อหาสาระในธรรมเทศนาของท่านถึงใจในซึ้งใจในธรรมเทศนาแต่เราพูดติดต่อ น, นอเนื่องไม่ได้นี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้ฟังเทศอย่างนี้เพราะพระในครั้งพุทธกาลที่ฟัฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวก ที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลในครั้งนั้นเนี่ยท่านฟังอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าเทศน์เรื่องสมาธิทํำยังไงเป็นสมาธิกําหนดอย่างไรเป็นสมาธิท่านก็กําหนดตามตามธรรมที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะจากนั้นเมื่อทําสมาธิให้เดินปัญญาอย่างนี้นะท่านก็เดินวิปัสสนาเดินตามที่พระพุทธองค์กําลังกล่าวกําลังพูดให้ฟังเดินอย่างนี้นะเดินวิปัสสนาพิจารณาอย่างนี้นะ เมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แล้วปล่อยวางนก็ปล่อยวางที่ใจแต่ปล่อยวางอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสปล่อยวางอย่างนี้นะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นะพอปล่อยวางท่านจิตของท่านก็เป็นพระอริยะบุคคลตามขั้นตอนอันนี้เราคือฟังเทศในครังพุทธการที่ท่านได้สาเร็จมากสำเร็จผลมากต่อมากเพราะนั้นการฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตา หลวงพ่อเองก็อยากจะให้ลูกหลานทุกองค์ที่ทเป็นพระกด็ดีเป็นนาคกด็ดีอยากจะให้พวกเราฟังให้เข้าใจในธรรมเทศนาขององค์ท่านฟังให้เข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อจําจากนั้นก็ปิดหรือว่าตอนดึกสงัดที่เราลุกขึ้นมาแล้วเราจะฟังอีกสักกันหนึ่งก็ได้นั่งภาวนาแต่ว่านั่งภาวนาจบแล้วฟังจบแล้วให้ปิดไปก่อนนั่งภาวนาต่อ ไม่ใช่ว่าปิดเทปบแล้วก็หยุดนั่งภาวนาอันนั้นยังยังไม่ถูกต้องต้องปิดเท็บต้องปิดวิทยุเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาต่อให้พอสมควรให้สู้ต่อพยายามนั่งให้นานเท่านานนี่แหละอันนี้เขาขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านเพื่อการศึกษาอย่าไปถือว่าพวกเราด้อยในการได้ยินได้ฟังพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังเต็มที่มาอยู่กับหลวงพ่อแล้วมีแต่พูดตอนเช้าหน่อยนึงตอนเย็นอีกหน่อยหนึ่ง แต่กองการวันอยู่กันเระล่าเละล่าไม่มีอะไรพวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าฟังมากมากแล้วไม่ได้ปฏิบัติฟังไปแล้วก็ยิ่งสับสนอีกต่างหากจับต้นชนปลายไม่ถูกอีกต่างหากเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปอย่าไปฟังมากจนเกินไปฟังแล้วให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราปฏิบัติได้ไหมอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นถ้าว่าเรายังปฏิบัติไม่ได้ก็จะแสดงว่าเรายังพร่องอยู่เออเรายังพร่องอยู่ เราจะต้องพยายามทําให้ได้เนี่ยนี่แหละสรุปและประมวลลงได้ว่าพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุดตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามมยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นกันกรองไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญาของเราจากนั้นก็เข้าใจนะว่า กินตามมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งจากนั้นนำมากันกรองเมือออกจากสมาธิแล้วนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลเห็นอันไดจากทุกขังอนาตตาเห็นไตรลักษณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสัง่งสอนจากนั้นเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้เลยว่า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 ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์ท่านไม่ได้บอกกล่าวหรือว่าท่านไม่ได้เนะ้อยู่เฉยๆก็มีสติปัญญารอบคอบรอบรู้ด้วยตนเองไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางครัง้งบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาแต่แต่ว่าเราจะไปเกาะในการได้ยินได้ฟังอยู่อย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกัน เหมือนกับเราดูแผนที่เมื่อเราดูแผนที่เราจะว่าเออเรารู้หมดทุกอย่างแอยู่ในแผนที่ทั้งหมดมันก็ไม่ไปถึงไหนเหมือนกันก็รู้อยู่ในแผนที่เท่านั้นแต่เมื่อเราดูแผนที่แล้วว่าไปทางไหนเราจะไปที่ไหนในแผนที่เราจะไปอำเภอไหนจังหวัดไหนประเทศไหนเราดูแผนที่เราจะไปประเทศไหนพอดูจบแล้วเราก็เดินตามแผนที่นั้นนั่นแหละอันนี้คือ ไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ถ้าว่าเราดูแผนที่เฉยๆเนีว่าข้าพรเจ้ารู้แผนที่ทั้งหมดนั่นแหละมันจะเกิดประโยชน์อะไรมีติตรู้เฉยๆในแผนที่ไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปก็ยังย่ำอยู่ที่เก่าเพราะมาได้ไปที่ไหนนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันเราดูศึกษาในพระไตรปิฎกเน่ยท่านสอนอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้ปัญญาที่จะนำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะั้นทำอย่างนี้แต่เมื่อเราได้ศึกษา ได้ศึกษาในธรรมคําสอนได้ศึกษาแนวปฏิบปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านมาแล้วท่านได้เขียนเอาไว้พวกเราได้ศึกษาจากนั้นเราก็นำที่เราได้อ่านได้ศึกษาคือแผนที่นั่นน่ะนำมาประพุทธปฏิบัติกับตัวเองปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราจนเราได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้นําสั่งสอนไว้แล้วนั้นอันนั้นนจะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาศึกษาและเข้ามาในคราวนี้เข้ามาเพื่อศึกษาศีลธรรมจริยธรรม เ, เข้าสู่จิตใจของพวกเรานั่นแหละขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจเข้ามาแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากพราเราจะรู้อยู่แล้วเราจะอยู่คราวนี้เนี่ยปีนี้เราอยู่เพียงสามอาทิตย์ ก, กว่า เราอยู่เพียงแค่นี้เพราะเรามีเวลาน้อยมากเราจะคิดออกนอกลูนอกทางให้โง่ทำไมถ้าเราคิดออกนอกลูนอกทางเรื่องเที่ยวเรื่องเตรเรื่องเอาหงอาหารเรื่องติดในการเป็นอยู่ภายนอกอันนั้นแปลว่าเราส่งจิตออกนอกจงจิตให้โง่ทั้งที่ตัวเองมาทำหน้าที่หนึ่งแล้วก็ส่งจิตไปทำอีกหน้าที่หนึ่งความคิดไปอีกหน้าที่หนึ่ง มันไม่เกิดประโยชน์ทั้งที่เราเรียนภาษาอังกฤษเราจะตั้งเรียนใจพอเรียนภาษาอังกฤษนู่นเราไปคิดถึงเลขไปทางคิดถึงคณิตศาสตร์มันจะไม่ใช่หน้าที่ของเราจะต้องไปคิดถึงคณิตศาสตร์ขณะนี้เราเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องพยายามให้เข้าใจในภาษาอังกฤษนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเป็นหมอเราก็อยากมาบวชเพื่อศึกษาธรรมะศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจ แต่พอเราเข้ามาบวชแล้วเราคิดถึงนู่นวิช า, าทางโลกวิชาทำเองหงอาหารวิหาอยู่หากิน อ, ออกเที่ยวออกเตรยอย่างนั้น่ะมันถูกไหมอันนี้แปลว่าส่งจิตออกนอกแปลว่าผิดประเภทเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายที่จะบวชไม่กี่วันข้างหน้าให้มีจิตใจแน่วแน่ให้มีจิตใจมั่นคงแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตเิเอาจิงเอาจัง ให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเนีย่ยถ้าเป็นไปได้ให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดก้าวไปที่ไหนให้มีสติพุทโธอยู่ตลอดมาอยู่ในคราวนี้ถ้าเราทำจิตใจสงบเป็นหนึ่งยังไม่ได้เรายังขาดทุนนะนะลูกหลานนะให้เราคิดอย่างนั้นเราขาดทุนเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือแล้วเราไม่ได้จบตามขั้นที่เรายากจะเรียนไปถึงแล้วก็ เรียนไม่เข้าใจและก็กลับมามาบ้านตัวเองกลับไปคิดไปเองเราไปเรียนคราวนี้เราได้อะไรเราไม่เข้าใจในการวิชาที่เขาสอนเลยกลับมาอันนั้นแปลว่าเปล่าประโยชน์ได้กำไรน้อยมากเพียงแต่เข้ามาเพื่อการศึกษาเท่านั้นเองเพียงการเรียนรู้เท่านั้นเองแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาแล้วมาและศึกษาและปฏิบัติปฏิบัติจนเข้าใจ ในหลักวิชาการแต่ละขแขนงที่เราไปศึกษา น, นี่มาเขามาศึกษาในหลักพระธรรมวินัยก็เหมือนกันเข้ามาศึกษาเรื่องภาคปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อเราเข้ามาศึกษาภาคปฏิบัติแล้วเข้าเข้าใจทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งคณิกะเป็นยังไงอุปจาระเป็นยังไงอัปปนาสมาธิเป็นยังไงและ ว, วิธีเดินวิปัสสนาเดินอย่างไรถ้าได้ขนาดนั้นแล้วเราจะภาคภูมิใจเพราะเราเข้ามาแล้ว ทำจิตใจให้เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้ชัดเจนเราเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าที่ว่าจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งอไม่เกี่ยวข้องกับหูกับกายของตนเองนะเอรวมสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นข้าพเจ้า เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้ า, ามีความสุขจริงๆสมกับกี่พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนที่ตรัสว่านัตสันติปรางสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีข้าพเจ้าได้ริมรถแล้วเพียงแต่นิดหน่อยข้าพเจ้าก็เชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่เชื่อที่อื่นมาเชื่อในการประพฤติธปฏิบัติของตนเอง เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะเข้ามาคราวนี้ให้ทั้งอกตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถึงจะข้าวอดอาหารก็ทดลองดูก็ได้อหลวงพ่อเคยพูดว่าถ้าใครก็ตามมาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยไม่เคยอดอาหาระเลยไม่เคยทดลองในการอดอแปลว่าไม่เคยมาอยู่วัดป่านาคําน้อยฮะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะต้องทดลองดูอแต่ไม่ใช่ว่าเราจะอดให้เอหิวให้หวยอะไรเพียงแต่ว่าขันติ ความอดทนของเรามีมากน้อยอยังไงแค่ไหนเราจะรู้ตัวเองในขณะที่เราทำอะไรเราไม่ได้ทำแบบเราไม่คิดไม่อ่านเราไปทำแบบพรีพรม เ, เราไม่ใช่ทำอดแบบอัตตกิลมัฏฐาเราอดเพื่อทดลองอความอดทนของเราในการประพฤติปฏิบัติของเราเพนะราฉน้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะ อ, อันนี้ก็คือแนวทางจากนั้นก็นเนี่ยแต่ละวัน ชีวิตประจําวันของพระในวัดของเราตื่นมาก็นะประมาณตีสามตีสี่ลุกขึ้นมาก็ไหว้พระห่อเละพิชดานก็สุดแทะแต่พวกเราจะทําวัดเย็นพอทําวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็นะประมาณจะตีห้าเราก็ออกมาจากที่พักของเราแล้วพามาที่ศาลาวัที่ศาลาก็เตรียมจัดสถานที่ ปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณศาลาจากนั้นก็ได้เวลาไปบินทบาทแต่ขณะนี้เราจะเดินตามหลังพระไปก็ได้เพื่อทัศนศึกษาเพื่อการศึกษาท่านเดินบินทบาทท่านทำอย่างไรอนนี้เราก็เดินตามหลังท่านไปบินทบาทจากนั้นกลับมากัออย่างมื่อเช้ามาถึงแล้วก็เราก็จัดช่วยท่านยกอาหารจัดอาหารประเค้นอาหารส่วนพระสงฆ์ท่านก็ จัดอาหารเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะมีอะไรถ้ามีคณะสัทธา ญ, ญาติโยมมาหลวงพ่อก็จะได้กล่าวสมโมทนันยกถาให้แก่คณะสัตยา ญ, ญาติโยมได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นเครื่องระดับจิตปัญญาของคณะสัทธา ญ, ญาติโยมเพราะต่างคนก็ต่างมาจากจานตุรทิศไม่ใช่มาที่เก่ามาหลายๆคนห ล, หลายหมู่บ้านอย่างที่พวกเราได้เห็นมื้อเช้าเนี่ยนะหลวงพ่อจะได้พูดอะไรให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ผู้ที่เขามาสู่วัดวาศาสนาจากนั้นก็ให้พรแล้วก็ฉันพัตาหานพอฉันพิทาหานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยพวกเราก็เตรียมตัวล้างบาทเก็บอัฐบริขารหลวงพ่อก่อนถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็ได้พูดสนธนาปรารบกับผู้คนชั่วระยะหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อก็กลับตอนบ่ายโมงบ่ายสองโมงพวกเราก็มาดื่มน้าปานะ ที่โรงน้ําร้อนที่ท่านจัดเอาไว้จากนั้นเมื่อชันปานะเสร็จเรียบร้อยก่อนในเวลาปัดกวาดหรือเราจะขึ้นกุฏิของเราหรือปัดปัดกวาดบริเวณศาลาจากนั้นก็ช่วยกันทําความสะอาดศาลาที่พักพางอาศัยหงน้องห้องน้ําอะไรที่ขาดเลือขาดตกช่วยกันจัดช่วยกันทําเสร็จแล้วก็กลับกุฏิที่พักอาบน้าําส่งน้ํา เสร็จแล้วก็เข้าทางเดินยังกรมนั่งภาวนาเป็นส่วนตั ว, ลวเลยท่านวันไหนมีประชุมก็อย่างวันนี้มีประชุมก็มาประชุมร่วมแต่ถ้าวันไหนไม่มีประชมุมหลวงพ่อก็บอกกับพระรุ่นพี่บอกว่าให้มีการประชุมทุกวันนะแต่คงไม่ไม่ประชุมนานไหว้พระเสร็จเรียบร้อยก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็เปิดเทปเอ็มพีสามธรรมเทศนาของหลวงพ่อด้วยของครูบาอาจารย์ด้วย แต่จะเน้นหนักเรื่องของหลวงพ่อมากกว่าพราพวกเราเข้ามาศึกษาในปฏิปทาของหลวงพ่อควรจะเปิดเทปหลวงพ่อให้ฟังเพราะหลวงพ่อได้อบรมนักศึกษาแพทย์หลายรุ่นและกับธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเราก็ไม่ได้ขาดตก ป, ปกพองเพราะหลวงตาเปิดทั้งคืนตั้งแต่สองทุ่มกลางวันก็มีธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แต่ละองค์เราไม่ได้ขาดเหลือขาดตก ในธรรมเทศนาครูบาอาจารย์เหละนะ่านั้นแต่หลวงพ่อเนี่ยหาฟังยากนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดตอนเช้าแล้วก็คงไม่มีจากท่านก็ตอนธรรมดานี่ก็ถ้าไม่เปิดเทปให้ฟังพวกเราก็คงไม่ได้ยินอีกเหมือนกันแต่เข้ามาสู่วัดของหลวงพ่ อ, อก็ไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเลยอันนี้ก็รู้สึกว่าจะห่างไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงให้เน้นพระพี่เลี้ยงพระรุ่นพี่ให้ช่วยการเปิด มค3ของหลวงพ่อเลือกกันที่พวกเรานักศึกษาหรว่พระรุ่นน้องควรจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับฟินายเกี่ยวกับกฎและเบียดตัวภาคปฏิบัติเบื้องต้นอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือเมื่อเปิดเทพเสร็จแล้วพราก็นั่งภาวนาสัากช่วนระยะหนึ่งนานเท่าที่จะนานได้ตามที่อากาศเหมาะสมจากนั้นพวกเรายังค่อ ย, อยแยกย้ายกัน กลับไปกุฏิแล้วก็ไปนั่งภาวนาอีกที่หนึงไปเดินโยกรมอีกที่นึง่งจากนั้นก็สามสีทุ่มเป็นอย่างน้อยจากนั้นเราก็ขึ้นจงค่อยพักผ่อนพอพักผ่อ น, น, น, นนะ 3, 4, แล้วกันตีสามตีสี่เราก็ลุกขึ้นมาทำกิจจะวัดประจําวันอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำไปนั่นแหละขอให้พวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่จะเข้ามาบวช ให้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปนี่แหละอันนี้แหะคือชีวิตประจําวันของพระแต่มาพิจารณาอีกแบบมุมหนึง่งก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่ชีวิตที่จําเจทําแบบซ้ำซากแต่ตามไม่จริงแต่เรามาคิดดูให้ดีแล้วการเป็นอยู่แบบซ้ำซากจริงแต่ว่าแนวความคิดของเราแต่ละวันเราคิดเรื่องอะไรให้ดูใจได้แต่ให้มันดูใจ ไอ้เรื่องการเป็นอยู่นั้นมันต้องอย่างนี้จะทำยังไงได้เพราะชีวิตประจาวันของเราเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าแนวความคิดของเราเวันนี้เราคิดถึงบ้านร้องไห้ทั้งวันเวันนี้เราคิดถึงใครก็ไม่รู้บางทีก็ง้อเหมาอยู่ทั้งวันเางทีก็เศร้าซึมอยู่ทั้งวันทำไมไม่ดูจุดนั้นต้องดูจุดนั้นจุดที่ใจของเ ร, เราเราคิดเรื่องอะไรใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านไปถึงไหนจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบหรือไม่ ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้แต่และเวลานี่แหละจุดนั่นแหละคือเราให้ดูแต่ส่วนอื่นนั้นอันนั้นเป็นวิถีชีวิตประจำวันเราก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเราเห็นว่าชีวิตประจำวันเราหน้าเบื่อจำเจอันนั้นแปลว่าเราไม่เห็นคุณค่าในการบวชบวชเข้ามาเพื่ออะไรทั้งที่เราหอบสมุดดินสอไปโรงเรียน เข้าไปก็ไม่สนไม่สนใจในการเรียนการศึกษามีตะหอบสมุดตินสอไปแล้วก็ไปนั่งโโจอยู่งั้นหน้าเบื่อเพราะไม่ได้อะไรแต่คนที่ได้นั่นคืออะไรศึกษาครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรศึกษาอย่างไรนั่นแหละคือจุดได้แต่ชีวิตประจําวันที่ต้องตื่นแต่เช้าแปลงวันไปเรียนหนังสือนั้นนั้นคือชีวิตประจําวันอันนี้ก็เหมือนกัน ชีวิตของประจวบของเราก็ลักษณะอย่างนั้นนะแต่สิ่งที่ได้นั่นคืออะไรคือทําจิตใจให้สงบคือนั่งภาวนาสั่มรวมกายสั่มวมใจของเราเนี่ยแหละสิ่งที่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะในตั้งอกตั้งใจมาบวชในคราวนี้หลวงพ่อเองมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะให้ลูกหลานได้ศึกษาศีลธรรมจริยธรรมสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์กับลกูกกับหลาน พระเนนทุกองค์หลวงพ่อจะพยายามเพราะถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นทายาทนะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเป็นทายาทของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เป็นทายาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนหลวงพ่อหลวงพ่อมาถึงจุดนี้แล้วอายุเท่าไหร่เกือบจะเข้า70ิแล้วเนี่ยไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะนั้นหลวงพ่อพยายามถ่ายทอดแนวความคิดและแนวความรู้ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาให้แก่ลูกหลานได้ศึกษา ต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานได้ศึกษาแล้วก็เป็นผู้ได้ความรู้แล้วก็ได้นําความรู้ที่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์จากตํำรับตาราก็ทายทอดให้แก่รุ่นน้องๆต่อไปนี่แหละถือว่าพวกเราเป็นทายาทหลวงพ่อจะพยายามแนะนําสั่งสอนจึงนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อจะไม่กํำเอาไว้แอบจะแบมือให้ตลอด ให้ใคขว่าในหลักของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พร ะ, พ, ระพุทธองค์ท่านว่าไม่มีกรรมมืออยู่ในอาจารย์ น, ะนี่หลวงพ่อไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับพระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้าหรอกแต่หลงพ่อเรียนรู้เรื่องอะไรหลวงพ่อก็จะพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้รู้ได้เรียนได้ศึกษามา น, นั้นให้แก่พระให้แก่เนนให้แก่พวกเราที่เข้ามาศึกษาให้เข้าใจ ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้รับการแนะนําสั่งสอนที่ดีแล้วก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสนํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราและพระพุทธศาสนาก็จะอยู่นานเท่านานนี่แหละอันนี้ก็คือทายาทเพราะนั่นขอให้พวกเราลูกหลานพวกองนะตั้งองคตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวในวันนี้ก็ หลวงพ่อขอพูดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะต่อไปเดี๋ยวจะให้กูบาเปิด MP3 นะแผนที่24กันที่3ให้พวกเราฟังอีกต่อหนึ่งอยากจะให้ลูกหลานได้ฟังวิธีการแนะนำหรือว่าแนะนำสั่งสอนนั้นสอนยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลาพวกเราพวกลูกหลานต้องอัดต้องอัดการศึกษาเข้าไปต้องเรียนรู้ อา ใ, ใช้การได้ยินได้ฟังนะให้มากที่สุดในช่วงนี้ทั้งครูบาทั้งหมดให้นั่งฟังด้วยกันเอาครูบาไปเอา MP3 สแผ่นที่24กันที่ส